พระอาจารย์ครับก่ารนวัสการครับผมจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยห้าสิบสามนะครับผมก่อนเข้ารายการพระอาจารย์เมื่อเช้าวินาบาทคนไปใส่กันเยอะไหมครับประมาณเท่าเดิมสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบคนแล้วก็ออนไลน์อีกสองร้อยกว่าคนประมาณมครับประมาณ ครับแล้วฟังเทศตอนบ่ายเยอะไหมครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็ประมาณร้อยหกสิบคนแทนพร้อมกับท้งบ้านก็ประมาณแปดร้อยแปดรอยี่สิบครับผมสถูกครับก็เป็นปกติอย่างเป็นเลกปกติครับตอนนี้คนชมที่นี่ก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนครับพระอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นปกติครับพอาครับพระอาจารย์ครับวันนี้ <c oughs> ขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องทางตรงครับสู่พระโสดาบันกับอาจารย์ตอแรกว่าจะคิดว่าทางลัดจะต้องอาจารย์จะต้องบอกไม่มีทางลัดแน่เลยก็เลยบอกขอทางตรงครับรอาจารย์ครับถ้าเราทางตรงว่าทางสายกลางเนทางพระเจ้าสมตุตตสโรวัชิมาปฏิปทาก็คือทางระหว่างการใช้กวามสุขบรรดบความทุกข์กับการใช้การ ธ ร, รมานร่างกายมาดับความทุกข์ไม่สามารถใช้ทั้งสองทางนี้ดับได้ภูตเจ้าก็เคยทดลองมาตอนสมัยเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ใช้กามสมศก็ไม่สามารถดับความทุกข์ในใจได้ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพ่อมาบุญก็มาทดลองวิธีท ร, รมานร่างกายอุตกยาหารสี่ิบก้าวัน ความทุกข์ก็ยังไม่หายไปทรงสรุปได้ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจโดยทรงใช้วิธีภาวนาดะนธรสมะทำสมาธิคิตสงบแล้วก็พิจารณาหาสาเหตุ ข, ของความทุกข์ใจได้่าวิปัสสนาหรือปัญญาในที่สุดก็สองคนพบเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือ การตันหาภวัตันห า, าวาหาิภาวตถันหาความอยากเสพรูปเสียงกินลดทำให้อยากมีร่างกายทำให้อยากให้พอได้ร่างกายมาก็อยากยให้ร่างกายอยู่เป็นนานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายภวตถันหาอยากให้อยู่เป็นนานวิภวตถันหาอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากเราได้ขึ้นในใจความทุกข์ก็เกิดขึ้ น, นทันที ลองพิจารณาว่าถ้าอยากจะหายจากความทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายของไม่เที่ยงกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดหนึ่เงเลี่ยงไม่ได้เป็นธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของดินน้ำลมไฟอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อทรงเห็นพิจารณาว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของดินฟ้าอากาศเหมือนกันเรื่องของดินฟ้าอากาศ เราไปควบคุมบังคับไปได้เราไม่สามารถมาทําให้ร่างกายอยู่ไปจนไม่ไม่มีวันตายไม่ได้แต่ไม่จะมีคนพยายามค้นคิดค้นหาวิธีต่างๆกันม า, มาทุกยุคทุกสมัยก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะแก้ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายนี้เป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง รรมาจากดินน้ํานมไฟเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรมนรมดาประสงค์พิจารณาเห็นนี้ปัญญาก็เลยหยุดความอยากอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บหยุดความอยากอยู่ไปนานๆหยุดการเสกกรรมเพราะว่าถ่ายังเสกกรรมอยู่ก็ยังต้องมีต้องมีร่างกายอยู่ถ้าถ้าหยุดการเสกการมได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ อีกครั้งหนึ่งก็ยางสามารถแก้ปัญหาวความทุกข์ได้อย่างเบ็ดเสร็จตามได้แม้การเกิดตามนั้นก็ยังมีความทุกข์ตามมาเสมอตามได้ที่หยุดการมาตัญหาได้กามาราคาได้ก็สามารถที่จะยุดการกรรมเกิดได้อันนี้เป็นขั้นที่สูงกว่าขั้นโสดาบันแนละเป็นขัน้นอนาคามีแต่ขัน้นโสดาบันนี่ก็เพียงแต่ เห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกินแล้วต้องแก่เจ็บตายไม่มีตัวตนเป็นของเป็นดินน้ำมูนไฟเป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งที่ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้เมืม่อมีร่างกายแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายอมรับได้ไม่ไม่มีวามอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็ไม่มี ก็มไม่มีความทุกขก็ถือว่าเป็นพระโสดาบันได้มันรู้เป็นพระโสดาบันคือปล่อยวางไม่ยึดไปติดกับร่างกายพิจารณาร่างกายและเวทนาที่เป็นนามขันว่าว่าเป็นอนิจจอนัตตาไม่มีตัวตนขันห้าไม่มีตัวตนสักายาทิฏฐิเะลาสกายยทิฏฐิที่ไปเห็นว่าขันห้าไม่มีตัวไม่มีตนความจริงมันเป็นธรรมชาติ ที่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดแลวทำให้มันดับไปเท่านั้นเองไม่มีใครมาสามารถมาเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเหล่า น, นี้ได้ถ้าอยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์สุนทรสาลว่าความทุกข์ใจกดจากความอยากถ้ามันอยากให้ใจทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากจะหยุด ค, ความอยากเขาใช้สมาธิใช้ปัญญามา มาหยุดเปนศีล ส, สมาธิปัญญามาหยุดเินล ส, สมาธิปัญญาเนี้ยนะคือทางสายกลางทางตรงดั้นถ้าเราอยากจะบันต้องเป็นพระสวดธรรมก็พยายามปฏิบัติศีล ส, ส, สมาธิและปัญญาตามลําดับขั้นตน้นต้องมีศีลก่อนแล้วต้องเป็นศีลระดับศีลแปขึ้นไปถึงาาจะนานสามารถจะนันสมาธิได้ได้เป็นผล ถ้าศีลห้ายังไม่มีกําลังพอศีลแปดจะทําให้มีมีกําลังมากขึ้นเพราะมีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นพอาะศีลแปดจะห้ามไม่ให้ไปเสพกามไม่ให้วความสุขจากรูปเสียงกิริย์ให้เวลามาให้กับการเจรจิญสตินั่งสมาธิแ้วถ้ามีเวลาเจาริญสตินั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องจิตก็สามารถเข้าสมาธิได้ได้อเุเบกขา ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็าสามารถไม่อาศัยร่างกายใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้จุดกามอยาที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้แในการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ไปตลอดเพราะเป็นของชั่วคราวนะะเป็นของชั่วคราวและใจก็มีความจำเป็นจะต้องอาศัยร่างกายเพราะสามารถมีความสุขจากการ เข้าสมาธิได้ก็เลยปล่อยวางได้ปล่อยวางความอยากหนความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ถ่ายได้พลาะรงกายใจก็ไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้ก็คือท่านโสดาบันโสดาบันน้นจะไม่ทุกกับเรื่องของร่างกายหรือว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดายอมรับความจริงไม่ไม่ต่อต้าน ไม่มีความอยากไม่แก่มไม่เจ็บไม่ตายเมื่อไม่มีความอยากมันก็ความทุกข์ก็ไม่มีในใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วส่วนเอกส่วนเอกสองอย่างที่ติดมากับสองยอดเอกสองข้อที่ที่ต ท, ท, ที่มาพร้อมๆกันที่จะละได้พร้อมๆกันก็คือก็จะไม่มีความรังใดสงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรืร่องศีลว่าทําไม ทำไมต้องวัดสาสีนกันเพราะถ้าทำถ้าละเมะิดศีลใจก็จะไปตกไปในอาบายใจจะทุกข์ความทุกข์ของใจนี่คืออาบายแล้วก็ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นตายแล้วก็ไม่สงสัยเพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ถ้าคเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือผู้มีดวงตายเห็นธรรมก็คือพระโสดาบันก็เลยเห็นธรรมพระพุทธธรรมพรสง์รวมกันในขณะที่จิตละปัญหาความอยากได้ทําให้ทุกข์ดับไปจากใจได้เห็นการทำงานของอริยาสัจสี่อย่างชัดจเจนพราะทุกข์เกิดจากความอยากอยางไม่แก่อยากไม่เจ็บอยังไม่ตายพอละได้ปั๊บ ความทุกข์ก็หายไปอันนี้ก็คือขั้นพระสูดาบันขั้นแรกของพระอริยบุคคลซึ่งยังมีอีกสามขั้นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการมีสัมยอ่อนที่ยังผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในการเวินว่าได้เกิดอยู่ แต่พอได้ขั้นที่หนึ่งแวก็ทีนี้ก็จะรู้แนวทางของการปฏิบัติต้องใช้ยึดแนวอริยสัจสีกับตายแล้วก็จะสามารถที่จะละสังโยชน์ต่างๆที่เหลืออยู่ได้ในที่สุดเพราะว่ในหมดก็เป็ น, าานพาะอรหันตพระโสดาบันนี้คำว่าโสด า, า น, นี้แปลว่ากระแสผู้ได้เข้าสู่กระแสเปกระแสอนิพพาน ใครได้เข้าสู่กระแสแล้วก็จะต้องไปนิพพานโดยถ่ายเดียวช้าและเร็วทเท่าไรแล้วไม่ต้องมีครูไหมมีครูมีอาจารย์มาสอนแนละ้วเพราะมีแผนที่ติดเข้าไปในใจแนละ้วคืออริยสัจสี่ก็ตายแนละ้วที่ไหนไม่ทุกข์ก็จะใช้อริยสัจสี่มาแก้ทันทีถ้าใจทุกข์อะไรก็ต้องเกิดอะไรต้องเกิดจากความอยากคนหาด้วยอยากอะไรขั้นต่อไปก็อยากเสพกาม อย่างร่วมเพศเห็นคนหน้าตาดีก็อยากจะอยากจะร่วมรับน้อยเขาวิธีแก้อต้องมองมองมอ ง, มองส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่สวยอยู่อุภวะของร่างกายดูซากศพพอร่างกายมันมีอาการ32มีคอก ร, ระดูกเป็นต้นซ่อนอยู่ภายใต้หนังความอยากจะเสพกลามก็หมดไป นี่ก็ใช่ตายรักอยากตัณหาการมาราคะเป็นเป็นการมาตัณหาหน้าการมตัณหาเ้าต้องพลิกการมองร่างกายจากมองว่าสวยเป็นมองว่าไม่สวยอ่อกจะแก้ไปเรื่อยๆจะใช้หลักตายรักนี่กับหลักอริยสัจสี่ไปราบใจก่อยความทุกขึ้นมาก็จะค้นหาสาเหตุว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไร พอผ่านาขั้นบ้านาคามไปได้เรื่องปัญหาเกี่ยวกับร่างกายก็หมดไปเลยไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเนื่องแก่เจ็บตายก็ดีไม่ว่าจะเป็นร่างกายร่างกายที่สวยที่งามก็ดีที่น่าดูก็ดีจะไม่หลงจะไม่หลงอีกต่อไปจะรู้ว่าร่างกายนี้แท้จริงแล้วมันไม่ม ไ, มมไม่น้าดูหน้าชมเพียแต่ทุงหนังหุ่มออกปกปิดไว้เท่า น, นี้ถ้าผ่านนังออกมา ก็จะเห็นก็อวัยวะาภายในร่างกายที่ไม่น่าดูน่าชมเลยฉะนั้นเรื่องร่างกายเนี่พานหนากามีไม่มีความเจ็บพันอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยงามถ้าไม่มีความอยากในร่างกายต่อไปทีนี้ท่านก็มามีปัญหาคืมีความอยากในอารมณ์ในจิตเนี่ยท่านต่อไป ถ้าอย่างนี้อยากให้จิตมีอารมณ์ที่สงบเบิกบานสดชื่นเพราะคิดว่านิพพานก็คืออารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานอย่างยั่งยืนถาออนวรก็พยายามที่จะทําทให้อารมณ์ของจิตนี้สงบเยี่ยงยืนถาวรแต่ก็ทําไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตมันยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บาวันก็เบิกบานบาวันก็ซึมเศร้าได้บางวันก็เศร้าหมองางวันก็แจ่มใส เพราะว่าจิตก็มีเหตุมีปัจจัยมีอายตนะมีเข้ามาสัมผัสให้จิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เห็นภาพไม่ดีก็ทําให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาได้ได้ยินเสียงไม่ดีก็เกิดอารมณ์ไม่ดีได้ฉะนันจะบังคับให้ให้จิตนี่บิงบานสัมใช้ด เ, เวลาไม่ได้แต่แก้ให้จิตไม่ทุกข์กับมันได้ ให้รู้ทันมันแลอยากไปอยากให้มันให้มันสงบไปตลอดเวลามาหยุดความอยากให้มันสงบเพราะคิดว่าการทําให้จิตสงบนั่นจะเป็นนิพพานแต่มันไม่ใช่นิพพานไม่ใช่การทําจิตให้สงบตลอดเวลาแต่การทําให้จิตไม่มีความทุกข์ตลอดเวลาในะหตุที่ทําให้จิตทุกข์ก็คือความอยากนี่ความอยากให้จิตสงบความอยากให้อยากได้นิพพานก็ก็เป็นกิเลสขึ้นมาดีสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะทําไม่ได้ เราเข้าใจธรรมชาติของจิตว่าจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังและหน้าตาเหมือนกับร่างกายเหมือนกับเวทนาแเราพิจารณาเราปล่อยวางอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อทำได้จิตก็จะไม่มีความทุกข์ต่อไปอันนั้นเราเป็น น, นิพพานจิตที่ไม่มีความทุกข์เราเป็น น, นิพพานจิตที่ละตันหาความอยากได้มหมดสิ้นไปอยากใจแนละ้วจิตที่มันจะไม่ไปเวียนร่ายตายเอีกต่อไป แต่ขณะที่ยังคลองขันอยู่จิตนี่ก็ยังมีการมีอารมณแปรปรวนได้ตามตามเหตุตามใจที่เข้ามากระทบกับจิตให้จิตสัมผัสรับรู้แต่เพียงแต่ว่าจิตไม่ทุกข์ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีแล้วไม่ดีก็ตามปล่อยให้มันเป็นไปสัมผัสรับรู้กันเหมือนหยดน้ำบนใบบัวรู้เฉยๆสักแต่ว่าอารมณ์ดีก็รู้ว่าอารมณ์ดีอารมณ์เสียรว่าอารมณ์เสีย แต่ไม่ทุกไม่พยายามอยากให้มันอารมณ์ดีไปตลอด น, ะนี้คือการปฏิบัติมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งการพิจารณานี่เรียกว่าเป็นมรรคพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักเนี่ยกำลังเจริญมรรคพอไม่เป็นตายรักแล้วว่าละความอยากที่ให้มันไม่เป็นตายรักได้มันก็ มันก็บรรลุผลขึ้นมาเป็นโสดาบันขึ้นมาพิจารณาอสุภะก็เป็นกัเจริญมรรคของอนาคามีกับสกีดาคาเมพอพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งานันบกา ร, รมาราคตได้กา ร, รอนาคามีผลก็ปรากฏขึ้นมาพิจารณาจิตว่าเป็นตายรักได้ก็เกิดเป็นอาลัสตาผลขึ้นมาทั้นนั่นแหละก็เป็นแค่นี้ พิะพุทเจ้าสอนในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตโดยใช้ธรรมก็คืออริยสัจสี่ใช้มรรคที่มีองค์แปนหรือไตรรสิกขาศีนสมาธิปัญญาเป็นเครื่องในการละสังโยชน์ทั้งสิบํำจัดความทุกข์ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปนี่คือเรื่องของสติปัฏฐานสี่ทางสายตรงที่สุดก็คือสติปัฏฐานสี่ ถ้าใครอยากจะบรรลุต้องต้องต้องเข้าใจสติปัฏฐานสี่ต้องสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนในสติปัฏฐานสี่ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกันง่วงกันหมดคิดว่า ท, ทําทีเดียวพร้อมหมดหมดไปเลยเอาทั้งกายเอาทัง้งเวทนาแล้วเอาทั้งจิตพิจารณานั่งสมาธิจิตยังไม่ท่านสงบเลยเอาเลยพิจารณากายเวทนาจิตทําไปเลยมันไม่ได้มัเป็นขั้นเป็นตอน สติปัฏฐานสขั้นตอนแรกสอนให้ฝึกสติก่อนสร้างสติขึ้นมาด้วยการมีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพอมีสติแล้วท้ายมันนั่มสมาธิยู่ลมหายใจเข้ า, ขาออกรกจิตจะรวมเป็นสมาธิได้ อ, อุเบกขาพอได้อเุเบกขาได้สมาธิแล้วทีนี้ออกจากสมาธิมาก็สามารถพิจารณาเที่ยเริ่มพิจารณาร่างกายก่อน พิจารณาร่างกายได้ก็ได้เป็นโสดาบันสกีดาคาเมียนาคาเมีร่างกายก็เวทนาด้วยเวทนาก็อยู่ขั้นของโซดาบันพอ <c oughs> <c oughs> ได้ขั้นแลผ่านขั้นขั้นร่างกายเวทนาไปได้แล้วก็ไปขั้นจิตจิตก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงเหมือนกันจิตก็มีอารมณ์แปดพวนอยู่เรื่อยๆต <c oughs> ามเหตุตามปัจจัยแต่ก็สาคัญอย่าไปทุกข์กับมันนะั่นเอง <c oughs> ไม่ทุก็คืออย่าไปรยัดให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไว้ให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันสักจ้าว่ารู้ไปแล้าใจจะไม่ทุกกังอะไรอีกต่อไปสิ้นทุกหมดทุกก็หมดตรงนี้แนวทางสายตรง ส, ตรสู่สติปัญฐาสี่เป็นอ่านแล้วไม่เข้าใจกันอ่านแล้วเมาคิดไปอะไรคนละเทศคนละทาง <c oughs> สรีประธานสีนี้สอนสามขั้นตอนขั้นแรกเจริญสติขั้นที่สองฝึกสมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วค่อยไปขั้นปัญญาพิจารณาถ้าอันอาิยัจ ส, ส, สีตายรักในกายเวทนาจิตท่านี้ก็จบแต่ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนที่มันยากก็คือยากยากแต่ขั้นแรกอ่ะคือการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติทั้งวันนี้ทําไม่ยากกัน ใจชาบคิดนั่นคิดนี่อยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าการเจริญสติได้ก็ต้องทิ้งทุงอย่างไปเปรียกว่เวกอยู่คนเดียวซึ่งมันสิ่งที่ยากเพราะใจของคนปุถุชน ย, ยังยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่การติดในกามคนยังมีการมาฉันทะอยู่นิวรณ์นิวรณ์ตัวสําคัญที่มาคอยขัดขวางการจเจริญสมาธิก็คือการมาฉันทะ ย, ยังเสพยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะยะคือ ก็เลยทำให้ไปเปลี่ยนวิเวกไปซือสินแปดหรือถือสินนักบุญแล้วไปอยู่ตามป่าตางเขาไม่ได้อยู่น่องหนาอยู่น่องเศร้าก็เลยเข้าสมาธิไม่ได้พอเข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเจริญปัญญาลนะสังโยชน์ได้เพราะไม่มีกําลังกําลังอยู่ที่สมาธิไม่ได้อยู่ที่ปัญญาปัญญานี่เป็นเพียงที่ชื่อเบาชี้เป้าบอกว่าควระละอะไร แต่ผู้ยา่ละก็คือสมาธิจิตต้องใช้สมาธิเป็นผู้ละผู้หยุดสมาธิเป็นเหมือนเบรกของจิตเนี่ยถ้าต้องการเบรกจิตก็ต้องใช้สมาธิเบรกสัมย่อยมันอยูใ่ในจิตต้องการละสัมย่อยก็ต้องเบรกเบรกด้วยสมาธิด้วยบเบรกขาด้วยวางเฉยให้รู้เฉยๆยนีน่ผู้ที่ไม่ทราบอยาเข้าใจเนี่ยมันค่อนข้างยา ข้อมูลเยอะถ้าคนไม่กคยปฏิบัติเนี่ยคงจะฟังไม่รู้เรื่องนะอันนี้พระอาจารย์เทศกระจ่างเลยครับผมนะเป็นเป็นตอนผมนะพอวาดภาพเข้าใจเข้าใจมากเลยครับพระอาจารย์ครับกลับกับพระอาจารย์ได้คําตอบว่าทางสายตรงอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สติปัฏฐานสูตรเนี่ยไปศึกษาใจเยน็นศึกษาทีละขั้นทีละตอนทำทีละขั้นทีละตอนครับพระอาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่า พระโสดาบันนี้ก็ยังยังชอบสวยงามยังชอบเสพการยังเสพการอยู่ใช่ยังเสพการอยู่ยยยแต่แต่มันจะรู้ว่าการเสพการมการมีแฟนนี่จะต้องมีความทุกข์บางทีแฟนตายไปบ้างาแฟนโกรธเราบ้างเกลียดเราบ้างบางีแฟนในมนนีมีคนใหม่บ้างก็จะเริ่มเห็นโทษของการเสพการก็เลยคิดเลิกดีกว่าหาวิธีเลิกก็จะต้องมาพิจารณาสุภา คามพิจนาสภาวะเห่าร่างกายของแฟนนี่สวยแต่ภายนอกในภายในนี่ไม่มีอะไรน่าดูเลยให้เห็นตลอดเวลามันก็จะทําให้ความอยากจะเสพการาฟนี่หมดไปได้อาจารย์ขับพระอนาคามีนี่ก็ยังมีมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่บ้างดังเดียวกับจิตก็ยังก็ยังยังต้องไปแก้ปัญหาที่จิตอยู่เลยังติดอยู่ที่อารมณ์ของจิตเก็ไปวุ่นวายกับอารมณ์ของจิต อารมณ์เจ็ดหนึ่งแปดปวนอยู่แล้วบางทีมันก็บางทีมันก็เบิกบานบางทีมันก็เศร้าหมองแต่จิตเราไปอยากให้มันเบิกบานตลอดเวลาเลยความอยากภาวะตันหาไม่ภาวะตันหาอยากให้จิตเบิกบานไม่อยากให้จิตเศร้าหมองแต่มันไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของจิตว่าจิตนี้ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรับอยู่เพราะจิตยังมีเห็นไม่ปัจจัย ของไต่ล่างมาเกี่ยวข้องก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพสัมสังขานความคิดปรุงแต่งสัญญาความจํำสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้มีอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้บาทีเปนการนึกขีดถึงเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ไม่สบอารมณ์ใจก็เศร้าขึ้นมาได้ยู่ไหเป็นจะจําลึกนขึ้นมาปั๊บถึงเรื่องนั้นนั้นใจก็เกิดความเศร้าหรือบางทีกนึกถึงเรื่องดีก็มีความรู้สึกดีใจขึ้นมาก็มี ยังควบคุมบังคับมันไม่ได้ว่ามันเป็นเหตุเป็นปบจดใยที่อยู so, yeah, there, pair, ่ภายใต้กฎของใจแรับวิธีที่เราจะปฏิบัติกับมันคือเราอย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองเป้าหมายคือไม่ได้ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกายไม่ได้เปลี่ยนแปลงเวทนาเพียงแต่เข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วอย่าไปทุกข์กับเขาเท่านั้นเองอย่าไปทุกข์กับร่างกายอย่าไปทุกข์กับเวทนาอย่าไปทุกข์กับอารมณ์เท่านั้นเอง กับความกุณพระอาจารย์นี้ปัญญาครับผมขอโอกาสถามคำถามนะครับพระอาจารย์ครับคุณแว่นครับบอกว่าพระโสดาบันจะมีสีอัตโนมัติหมายถึงอย่างไรครับเคยเห็นว่าทาผิดแล้วทาผิดสีแล้วมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใ จ, จทันทีเหมือนกับเอาค้อนมาทุบหัวเราเนี่เมื่อก่อนมียาสลบที่อมียยาชาตีเท่าไหร่ก็มันรู้สึกเจ็บปวดสะ แต่พอไม่มียาชาไม่อยู่คมหลงครอบงำใจมองตามหลักความเปนจริงเวลาใจนึกคิดทำบาปขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็จะทุกร้อนขึ้นมาทันทีฉะนไม่รู้กายให้ใจทุกร้อนก็อย่าไปคิดทำบาปก็จะพาเรียบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี้ก็จะไม่ทำบาปกันทั้งหมดเพราะไม่ต้องการมีความทุกข์จังใจ ตอนนี้มีหลายโรครุมเร้าครับทุกทั้งกายทุกทั้งใจครับพระอาจารย์จะหาทางออกไม่ได้เลยครับผมทุกกายที่เราต้องยอมรับมันรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแต่ทุกใจที่เราดับได้ดับด้วยการยอมรับความจริงของร่างกายอย่าไปอยากให้มันหายถา้ามันไม่หายอย่าไปอยากให้มันหายความอยากให้มันหายเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยาจะทุกข์ใจก็อยู่กับมันไปหายถ้ามันจะหายก็หายนไม่หายก็อยู่กับมันไปต้องเข้าใจธรรมชาติของร่างกายมันเป็นอย่างนี้บางทีมันเจ็บไายได้ป่วยแล้วมันก็บางทีก็หายบางทีก็ไม่หายเพราะโรคของร่างกายมันก็มีสามชนิดด้วยกันชนิดแรกเป็นละหายเองไม่ต้องทำอะไรมันก็หายเป็นหวัดเป็นอะไรหรือเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้บางทีดีๆมันก็หายไปได้ ชนิดที่สองต้องกินยาถึงยาหายต้องรักษาถึงยาหายชนิดที่สามรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้ก็ต้องอยู่กับมันไปนั่นต้องเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นของเราเหีืยโรคอยู่แค่สามโรคเองครับอาจารย์นะ่า <c oughs> เป็นท่าตมันก็มีสามโรค เรายอราพักร้อนในที่สุดเราก็ลงในศูนโลกที่สามในในขั้นสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรักษากันเสียเงิ น, น, น, นเป็นแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยในที่สุดกล้าไปจบที่โลกที่สามรักษาไม่ได้หมอเขาเรายกยกธงขาวเลยยอมแพ้ครับงั้เรายกธงขาวตั้งแต่เริ่มต้นเลยม่ายดีกว่านะไม่ต้องไปรักษามันมันจะหายก็หายไม่หายก็อยอมก็ถือว่าเป็นโลกที่สามไป ถ้ายอมนี่คือพระโสดาบันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอพระโสดาบันขึ้นไปท่านยอมตายยอมเจ็บท่านอย่างกูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายท่านถึงไม่ชอบไปรักษาที่โรงพยาบาลให้เสียเวลาครับท่านรักษาใจอย่างเดียวพอธรา ม, ม, มะอวสันรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับโลกของร่างกายยอมรับเตรียมตายเตรียมตัวตายเตรีตยมตัวเจ็บและที่ไหนไม่ดีเท่ากับอยู่ที่วัดเพราะที่วัดเป็นที่สงบมองออกการรักษาใจให้สมุบ ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลนี่มันมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลมีทั้งคนมาเยี่ยมวุ่นวายไปหมดเราจะรบกวนการทำใจให้สงบถ้อไปอยู่วัดเดียพไอยู่วัดแล้วไม่มีใครมายุ่งจะนั่งสมาธิช่วงไหนดีที่สุดครับอาจารย์ดีทุกช่วงนะให้นั่งทั้งวันทั้งคืนเลยยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดี ถ้ามีความมุ่งหมายปรารถนาความอยากจะได้เป็นอย่างฝันเลยเพราะมีกิเลสอยากจะเป็นคือความอยากมันมีสองอย่างความอยากที่เป็นกิเลสก็มีความอยากที่เป็นธรรมก็มีความอยากที่เป็นกิเลสจะนาไปสู่การกระทำที่จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากร่ำรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นสอสออยากเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ทุกข์กันหรือเปล่าคนที่ได้ก็ดีใจคนที่ไม่ได้ก็เสียใจ อันนี้เป็นกิเลสอย่าไปอยากหวานอย่าไปอยากในลาภยศสรเสริญสุขแต่ถ้าอยากอยากไปนิพพานอยากทาบุญอยากรักษาศีลอยากภาวนาอยากไปสวรรค์นี้บังที่าเป็นความอยากที่พาไปสู่ความสุขไม่ใช่เป็นความอยากที่ไปสู่ความทุกข์ความอยากันนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดีความอยากในธรรมเรียกว่าความอยากในธรรมนะรับเราจังอยากเนี้ย ครับนมัสการเรียนถามครับการขึ้นสู่ขั้นพระโสดาบันแล้วจะมีโอกาสที่จะตกลงมาเป็นปุถุชนได้หรือไม่ครับอไม่ได้แล้วล่ะหายโง่แล้วเนี่ยว่าหายโง่มันจําได้นะครัเมื่อก่อนโง่ถูกคนนี้หลอกตั้งต่อไปคนที่จะมาหลอกเราต่อไปไม่ได้นะจะหลอกให้เรายึดติดกับร่างกายไม่ได้นี่เลยโมหะของเราจะมาหลอกให้เราอย่างไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ไม่ทําไม่ได้นะเพราะเรารู้แล้วว่า มันเป็นไซ์ของการทําให้เราทุกข์เราไม่อยากจะทุกข์เราก็ไม่เอานะนั่งสมาธิมักคุมร่างกายได้ยากในการปฏิบัติคอยจะสับงกครับจะต้องดึงจิตอย่างไรครับเอเบื้องต้นต้องฝึกสติแล้วก็ต้องพยายามลดการรับประทานอาหารนมลงถ้าอยากจะปฏิบัติที่บอกต้องถือศีลแปดเป็นอย่างน้อย ไม่ต้องกินนะไม่กินอาหารมากไม่กินอาหารจา ก, กเที่ยงวันไปแล้วหรือทำที่ดีกินมื้อเดียวได้ยิ่งดีกินให้น้อยพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วมันจะไม่ง่วงหากยังกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่จะเป็นโซดาบันได้หรือไม่ครับ <c oughs> กราบได้นะแต่ละกราบด้วยเหตุผลนั้นใดเพราะพุทธเจ้าพ่าอาหารทั้งหลายถ้ยังกราบ พระพุทธรูปได้อยู่ครูบาอาจารย์ท่านเวล า, าไปศาลาท่านก็กราบท่านก็กราบพระพุทธรูปแต่ท่านกราบด้วยด้วยการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังการนุสติแล้วถึงพระพุทธกุลพระธรรมคุลพระสังฆ์กุณไม่ได้กราบเพื่อจะขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้มีสิ่งภัยพิบัติต่างๆม า, ากระทบไม่ได้กราบแบบนั้นกราบคนละอย่างนั้นกาบด้วยความเคารพ ทาบซึ่งในบุญคุณนั้นเรือันประเสริฐของท่านแต่ไม่ได้กลาวเพื่อให้ท่านมาปก ป, ป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ไม่มีอย่างนี้ไม่ได้กล่าบแบบนี้การถวายดอกไม้ที่หิ่งพระอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่งก็ได้บุญเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าบูชาแบบปฏิบัติบูบชาจะได้บุญมากกว่า คือรักษาศีลนั่งสมาธิจารัญปัญญาฟังเทศฟังธรรมนี้จะได้บุมากกว่าเราควรตั้งใจทำเหตุให้ดีที่สุดไม่คาดหวังหรือควรตั้งเป้าหมายและคาดหวังผลในการปฏิบัติครับคือผลนไม่ต้อง ไ, ไปคาดไาตั้งเป้าหมายเพราะมันมันอยู่ที่เหตุถ้าเหตุมีผลมันก็ตามมาเองถ้าไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิด มันนเหมือนการที่เราหิวข้าวเราอยากจะให้มันไม่หิวเนี่ยเราทำไมเราไปนัดตั้งผลว่าขอให้มันหายหิวได้ไหมนั่งนั่งขอผลว่าตอนนี้หิวข้าวเหลืกันขอให้ความหิวข้าวหายไปมันไม่หายหรอกถ้าไม่มีเหตุที่ทําให้มันหายถ้าเรารู้ว่าเหตุที่ทําให้ความหิวหายไปก็คือการกินข้าวแล้วก็ไปกินข้าวกันท้านเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีความทุกข์ถ้าเราอยากให้ความทุกข์หายไปแล้วก็ไปปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสินสมาธิปัญญาแล้วความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะหายไปเองแต่เราต้องรู้จักเหตุรู้จักผลว่าทําอย่างนี้เราจะได้อะไรทําอย่างนี้อย่างนั้นเราจะได้อะไรต้องรู้จักเหตุจักผลหลายคนไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆไปเป็นกลุ่มบ้างจัดไปกันเองบ้างอย่างนี้เราได้บุญไหมครับจากการไปครับ ก็อยู่ที่ว่ามันมีบุญหลายชนิดเนี่ยเราไปทําอะไรบ้างถ้าเราไปทําบุญใส่บาตรเราก็ได้บุญที่เกิดจากการให้ทานถ้าเราไปรักษาศีลเราก็ได้บุญจากการรักษาศีลถ้าเราฝึกสมาธินั่งสมาธิเราก็ได้บุญจากการนั่งสมาธิก็อยู่ที่เหตุคือการกระทําของเราบุญนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําคุณสัมพรครับวันนี้มองดูกิเลสดิ้นพรวด โยมอยากได้ปากกาหมึกเจลของญี่ปุ่นแต่ตัดใจไม่ซื้อแต่มีความอยากอ ย, กอยู่จิตดิ้นทั้งบ่ายนึกถึงปากกาหมึกเจลญี่ปุ่นมือสองที่ไม่ได้ซื้อโยมเห็นกิเลสแล้วก็เอาไม่ค่อยจะอยู่ยังคิดถึงปากกาดังกล่าวเพราะเมดอินเจแปนมีหลายด้ามอยู่ในซองแพ็คสองโยมต้องฝึกจิตกันอย่างไรดีครับก็มันเรื่อ้นทั้งเหตุผลถ้ากัเป็นคนต้องมีเหตุมีผลว่าจาเป็นไหมจะต้องมีไหม เวลาเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมาถามตัวเองนะาถ้าไม่ได้ปากกา น, นี้แล้วเราจะตายไหมถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นก็อย่าไปเอามันดีกว่าเพราะการทําตามความอยากมันจะนําเราไปสู่ความทุกข์กับปากกานั้นต่อไปถ้าไปซื้อปากกานั้นมาแล้วเดี๋ยวกินหายไปก็ทุกข์อีกเสียใจอีกถ้าไม่มีปากกาแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับมันอย่าไปหาทุกข์เข้ามาซุ้มหัวใจเรา ได้อะไรมาแต่อย่างนี้มันจะทําให้เราทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยก็อยู่ที่เรารักมกันมากหรือเรารักมันน้อยถ้ารักมากเวลามันจากเราไปมันก็ทาให้เราเสียใจมากถ้ารักน้อยมันก็จะทำให้เราเสียใจน้อยถ้าไม่รักไม่เอาเลยก็ไม่เสียใจและไม่ทุกข์เลยอย่าไปรยักอยาก่าปอะหยักอย่าไปรักถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าจำเป็นก็รู้ว่าของที่เอามาเนี่ยมานใช้งานนะเช่นปากการเราอมาทํางาน ต้องมีก็อาซื้อมาได้แต่ต้องทําใจนะว่าเดี๋ยวมัอนอาจจะเสียได้หรือมันอาจจะหายได้ <c oughs> เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียใจเวลาที่มันเกิดการพัดท่าจากกันเคยล้มหัวฟาดครับเลือดออกมาหมอเย็บไปห้าเข็มระหว่างที่เย็บไม่เจ็บจิตคิดแต่ภาวนาถ้าแบบนี้ตายแล้วจะไปไหนครับ มันไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์นี้หรอกที่จะกําหนดว่าเราจะไปไหนเราจะไปสูงไปต่ําไปสวรรค์ไปอาบายนีมันอยู่ที่บุญที่บาปเราได้ทําสะสมไว้ในใจของเราถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปอาบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเป็นเนรชานเป็นต้นถ้าบาปถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็พาให้ไปสวรรค์บางครั้งทํางานไม่เสร็จเพราะเกี่ยวข้องกับ เครื่องไม้เครื่องมือไอทีที่โยมไม่ถนัดใช้เลยทำให้มีทุกข์ใจนิดหน่อยเพราะเสมือนทำงานไม่สุดแต่ว่างานนั้นไม่ถึงกับบังคับคือมีคนที่ไม่ทำส่งก็มีเยอะแต่เสมือนโยมปล่อยวางไม่ค่อยได้อยากจะเป็นคนเพอร์เฟกตชนิสโ ด, ดมต้องปรับแก้ไขยอย่างไรครับก็ดูอผลจากการที่เราเป็นคนแบบนี้มันให้เรามีความสูงหรืให้เรามีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์เราก็อยากไปทาแบบนี้ แบบที่เราไว้เราไม่ทุกบ้านเพื่อนมีพวงมลาลัยแห้งอยู่บนหิ้งพระเขาถามว่าเราควรจะแนะนําเช่นไรไม่ให้เพื่อนคิดมากครับมันชนะที่ของเราไปแนะนําเขาเลยนอกจากถ้าเขาถามขอคําปรึกษาเขาค่อยๆแนะนําไปกับพระอาจารย์ครับ เรื่องการรักษาศีลถ้าแค่ที่เราคิดเช่นคิดอยากจะฆ่าคือศีลข้อหนึ่งของการรักษาศีลห้าแต่เราไม่ได้ฆ่าใครผิดศีลหรือไม่ครับยังไม่ผิดต้องเกิดการคิดแล้วต้องเกิดการกระทาและการกระทานั้นสาเร็จคือได้ฆ่าตามที่เราคิดถึงจะเป็นบาปขึ้นมาถึงจะผิดศีลขึ้นมาในการสวดมน เพื่ออะไรครับถ้าเพื่อความสงบสวดบทไหนก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องนะ ส, สวดเพื่อจารสะสตะิเพื่อให้จ็บมีสติควบคุมความคิดหยุดความคิดใจก็จะสงบได้ในระดับหนึ่งกรณีมีชวนไปเดินงานเขาบอกว่าอยู่บ้านมันเซ็งเป็นงานประจำปีครับแต่ปฏิเสธคือหนูปฏิบัติทำแล้วมันไม่ยินดีมันรู้สึกเฉยเฉยไปเลยครับ ก็ดีเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าคือความสงบความสงบนี้จะทำให้เราเบื่อกับความสุขรูปเสียงกลิ่นลดได้ไม่ยินดีได้แมวป่วยหมอคาดว่าเป็นมะเร็งครับตัดสินใจพาแมวกลับมาดูแลแบบประคับประคองที่บ้านเพราะไม่อยากให้แมวเจ็บปวดได้ไหมครับก็แล้วแต่เราจะทำยังไงก็ได้ ขณะที่ใจคิดอยู่เรื่องหนึ่งแล้วมีคนเรียกหลายครั้งเหมือนไม่ได้ยินเสียงกรณีนี้อธิบายว่าวิญญาณที่หูไม่เกิดหรือวิญญาณที่หูไม่มาไม่ครับอาจารย์ครับสติเราอยู่ที่ความคิดมากกว่าไ ม, ไม่ได้ยินเสียงอะไรบางทีเรานั่งเล่นภายหรือนั่งทํางานอยู่เนี่ยมีเสียงล่อข้างมาแล้วก็ไม่ได้ยินได้ยินเสียงแต่เราไม่สนใจใจไม่ถึงหนึ่งไปอะไรไม่รู้เรื่องว่าเสียงนั้นเขาพูดถึงเขาเรียกเรารูา้ป่าบางก็ไม่รู้ พอใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เรากำลังทําอยู่ต้องดูแลพ่อป่วยที่ติดเตียงครับท่านมีภาวะทางอารมณ์ที่ฉุนเฉียวง่ายเอาแต่ใจเราควรจะทําอย่างไรดีครับพูดไปก็ไม่ฟังครับ เ, เราต้องถือว่าเราเป็นลูกเราเป็นคนรับใช้อย่าไปเป็นเจ้านายของพ่อเราเรามารับใช้พ่อเจ้านายจะสัง่งอะไรเราก็ทําตามที่เจ้านายสัง่ง ถ้านายไม่สั่งแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรอย่าไปสอนพ่ออย่าไปสั่งพ่อให้ทําทอย่างนั้นทําอย่างนี้ในฐานะของลูกลูกต้องไปนคอนรับใช้พ่อนม่นใส่บาตรพระตอนเช้าตอนพระท่านให้พรเราควรจะยืนหรือนั่งรับพรครับเพราะเคยทราบมาว่าท่านนั่งจะทําให้พระเป็นอาบัติจริงไหมครับไม่น้องเหมือนกันนะเห็นถกเทียงกันมามันก็เห็นทำกไปมาอยู่ตลอด ก็อย่าไปทุกขนใจมัมากอะไรมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือให้ความเคารพเท่านั้นเองถ้าเราก็ถ้าเราทําด้วยความเคารพก็จบปัญหาไปที่ในสมัยพุทธกาลก็อาจจะมีทําเนียมว่าถ้าพระยืนคนคนคนย่ำคุยกับพระก็ต้องยืนด้วยถ้าพระนั่งก็ต้องนั่งด้วยทำแบบนี้มากกว่าสมัยนี้เราไมไ่ถืออย่างนั้นแล้วถือว่านั่งกับคุยกับผู้ใหญ่จะยืนก็ไม่สมควรนั่งดีกว่า ไม่ถาก็ลรมากกว่ามันก็เลยไปขัดกับธรรมเนียมของโมลาณเขาการภาวนาบางครั้งสงบสดชื่นเบิกบานบางครั้งซึมๆ ม, มึนๆไม่ทราบว่าควจะแก้ไขยอย่างไรครับก็ต้องมีสติให้มากขึ้นนั้นจะสดชื่นเบิกบานอยู่เรื่อยๆ ท, ที่มึนมๆไม่สดชื่นก็เพราะช่วงนั้นสติไม่ค่อยดี การอนุโมทนาบุญกับผู้ที่เขาใส่บาตรที่อยู่ในติ๊กต็อกอย่างนี้เราได้บุญด้วยไหมครับได้มือคนละอย่างไม่ได้บุญจากการใส่บาตรแต่ได้บุญจากการมีความชื่นชมยินดีกับการทำบุญของเขาพอาจารย์ครับถ้าเรามีความสุขก็คือเราได้บุญใช่ไหมครับใช่แล้ก็คือบุญเห็นเขาทาความดีแล้วก็มีความสุขไปกับเขาแต่มันไม่มันไม่เป็นบุญเหมือนกับ คนที่เข้าใส่อันนั้นก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งอันนั้นเกิดความสุขจากการเสีสละแบ่งปันแต่เราเป็นได้ความสุขจากการยืดชื่อเชมยินดีกับความเสีสละแบ่งปันของเขาอ่ะขรย่างกันแต่ก็เป็นความสุขเหมือนกันคล้ายกันถ้ารักษาศีลแปดแล้วทํางานอยู่กับบ้านใส่เสื้อปกติหลากสีใส่กางเกงขาสั้นบ้างยาวบ้างจะผิดศีลไหมครับเรื่องเครื่องแต่งกายครับ ไม่ผิดหรอกเหตุแต่เราในสโดย ส, ดยสมมุตินีถ้าเราถ้าเราถือศีลก็มักจะนิยมให้เราใส่ชุดขาวกันแต่ถ้าไม่มีชุดขาวก็ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นประเด็นมันอยู่ที่การกระทําถ้าเราไม่เราไม่การกระทําของศีล 8, แปดเราก็ถือว่าเราก็มีศีลแปดอยู่การกราบไหว้สรีระสังขารท่านพระที่ปฏิบัติดี กับไหว้พระปฏิบัติดีที่มีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้บุญเท่ากันไหมครับถ้ากราบเฉยๆก็ได้บุญเท่ากันแต่ถ้ากราบแล้วได้ยินได้ฟังธรรมมก็ยังไดุ้ญได้บุญสองต่อได้บุญที่เกิดจากการกราบแล้วได้บุญจากการได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่เรากล่าบถ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านกล้าจะพูดธรรมให้เราฟังเราก็ได้บุญสองสองต่อแต่ถ้าท่านตายแล้วท่านพูดอะไรไม่ได้นะมันก็ได้บุญต่อเดียว ในบุญจากการที่เรากราบท่า น, นการกราบนี้เป็นการมีสัมมาคาราวะมีกราบบ่อน้ําถ่งต้นก็ เ, เป็นบุญอย่างหนึงการทําสมาธิถ้าเราสามารถนั่งได้สองถึงสามชั่วโมงติดต่อกันได้ประจําแบบนี้เราจะสามารถพัฒนานั่งให้นานห้าถึงหกชั่วโมงจะพอได้ไหมครับพระอาจารย์มีอะไรแนะนําให้นั่งได้นานๆไหมครับ เกิการนั่งนานไม่นานนี้ไม่ใช่เป็นตัวสาคัญนะนั่งแล้วสงบแล้วไม่สงบอันนี้เป็นประเด็นสาคัญกว่าฉัอย่าไปดูอย่าไปดูที่ชั่วโมงให้ดูที่ผล ด, ดูที่คุณภาพอย่าไปดูที่ปริมาณพยายามนั่งให้มันมีความสงบมันจะนั่งได้นานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรให้มันมีคุณภาพ แต่ถ้านั่งว่าไม่สงบแล้วพยายามมาเก้าแล้วนั่งมนานมันก็ไม่ได้ะนอกจากได้ขันติความอดทนแต่จะไม่ได้ความสงบเคยทำผิดศีลข้อสามมาสามปีแต่สำนึกผิดมาตลอดตอนนี้เลิกแล้วครับตายไปจะตกนรกแน่ๆหรือเปล่าครับพยายามจะสวดมนต์ครับก็แล้วแต่ว่าบุญที่เราทำมากกว่บบารือปที่เราทำไว้หรือเปล่ามัน ขอาการครับผมควรทําอย่างไรครับผมศรัทธาพระอาจารย์สุชาติแต่บางทีไม่อยากถวายทานให้แก่ท่านเพราะท่านยกให้ลูกศิษย์ไปจัดการหมดสงสัยว่าทําไมลูกศิษย์ไม่เอาไปไว้เป็นส่วนกลางของพระครับหรือพระท่านสงฆ์วัดยานท่านมีมากเกินไปอยู่แล้วท่านเลยไม่อยากได้รับผมอยากเห็นพระดีๆใช้ของที่ผมถวายครับเคยทําบุญวัดแถวบ้านมานานครับแต่หมดศรัทธากับความประพฤติ ทัศนคติของพระแถวบ้านครับของที่เขาถวายมาทั้งหมดนี่เขาจะขนขึ้นไปถวายพระบนเขาอีกทีหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ให้ญาติโยมเนองจากของบางอย่างที่พระไม่สามารถรับเจ็บไว้ได้ฉันนี่ก็เขาอยากจะให้ญาติโยมไปชอบเป็นอาหารอาหารอาหารแ ห, ห, ห, ห้งเข้าสารอะไรพวกนี้ก็จะญาติโยมญาติโยมก็จะไปเอาไปบอยจากทำบุญต่ออีกทีหนึง่ง นี่ของทั้งหลายที่ทํามานี้ไม่ได้เอาไปทิ้งแล้วไปให้ญาติโยมเบื้องต้นของที่พระใช้ได้จะส่งขึ้นมาให้พระใช้มีพระบนเขาอยู่สิบก้อนรูปด้วยกันทุกวันเนี่ยพอพอเลิกจากการแสดงทำเลิกจากการถงธนาธรรมญาติโยมเขาก็จะเอาขนของที่ญาติโยมมาถวายนี่ขึ้นไปลูกศิษย์มีลูกศิษย์ก็จะขนไปจัด ก, การให้ถอยพระบนเขาพระบนเขาบางทีท่านมีมากท่านก็เอาไปจํา เราไปแจกทานต่ออเองคือเราไม่เก็บไว้เก็บไว้เท่าที่จําเป็นที่เราใช้ได้ส่วนเนื้แล้วก็ไม่เอาไปทําปุ๋นทำประโยชน์เอาไปทปํทาทบุญทําทานต่อการที่มีคนเอาน้ําอาหารไปถวายพระพุทธรูปอย่างนี้ได้บุญได้อนิสงฆ์ไหมครับคือถ้าเป็นการบูชาก็ได้บุญจากการบูชา แต่ไม่ได้ทานไม่ได้บุญที่เกิดจากการทําทานสภาพเหตุการณ์โลกอยู่ในสภาวะสงคราม น, น้อยกระทบความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกไม่น้อยรวมทั้งประเทศไทยชาวพุทธควรน้อมนำธรรมะข้อใดมาประยุกใช้ในการดาเนินชีวิตประจำวันเฉพาะยิ่งในยุคข้ายากหมากแพงเช่นนี้ครับก็ลใช้มักน้อยสันโดษใชใ้น้อย แล้วยินดีตามมีตามเกิดยินดีกับราคาน้ำมันขึ้นก็ลองยินดีลงก็ยินดีก็ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าไม่ยินดีอยากใช้แล้วราคาน้ำมันเท่าเก่าหรือ ล, ลดลงนี่เราไม่ลดลงใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทําใจให้ชันโดยินดีตามมีตามเกิดน้ำมันจะขึ้นก็พอใจน้ำมันจะลงก็พอใจเฮีย่นี้ก็จะไม่ทุกข์วิธีหนึ่งที่จะทำให้เราทุกข์ ลูกน้อยเราก็คือมาน้อยให้ใช้น้อยๆใช้น้ํามันน้อยๆถ้าไม่จําเป็นก็อยากทำรถเราไปข้างนอกบ้านเดินมากก็ได้เออทำนองเนี้ยพระอาจารย์ไม่ใช้น้ํามันเลยครับอาจารย์ใช่แล้วนั่งรถนั่งรถก็ไม่ใช้อยู่เห <c oughs> ็นจะว่ามันของส่วนรวมไม่ได้เราไม่ได้ใช้คนเดียว <c oughs> รถบ้านในขันก็ ค, คนนั่งก็เกือบยี่สิบกว่าคนด้วยกันก็ครับ แล้วก็มีญาติโยมศรัทธาแล้วถอนถานน้ำมันขายค่าน้ำมันให้อยู่เรื่อยครับขออนุญาตหลว ง, งพ่อครับลูกได้ถวายผ้าไตรบวชพระภิกษุสงฆ์แต่ไม่ได้ไปถวายด้วยตัวเองและไม่ได้ไปเวียนรอบโบสถ์ด้วยอย่างนี้กวดน้ำให้บุปาการีได้ไหมครับได้ได้ทานไม่บุญเหมือนกันนั้นของเหานั้นเป็นพิธีกรรมนั่นเองสาระประโยชน์สำคัญอยู่ที่การเสียสละ ทรัพที่ไปซื้อผ้ามาแล้วเอาเอาผ้านี้ไปถวายให้กับพระนี่ก็ถือว่าเราได้ทําสําเร็จนะบุญเกิดขึ้นด้ในใจแล้วคําถามนี้ก็เหมือนพระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วครับบอกว่าฝากเงินทําบุญได้บุญไหมครับได้ฝากของฝากเงินได้บุญน ะ, ะกับพระอาจารย์ครับขอถามครับปัจจุบันอยู่คนเดียวแล้วปรารถนา พระอนาคามีจะทานข้าวเก้าโมงถึงเที่ยงเดินจงกรม น, นั้นนั่งสมาธิรวมหนึ่งชั่วโมงวันละสามรอบเลิกค้าขายแล้วควรทำอะไรเพิ่มครับต้องไปจรณาสูา่ระกำลังการละ ก, กำจัดการลาค้าให้ได้ความรักความใคร้ในบุคคลนั้นบุคคลนี้คามอยากจะมีเพศสัมพันธ์แบบพูดง่ายๆต้องตัดอันนี้ให้ง่ายจะตัดได้ต้องเห็นร่างกายไม่สวยไม่งาม เป็นซากศพแล้วก็มีซากศพสิทชนิดให้เราไปพิปจนารณาดูรู้สึกจะมีอยไ่ในสติประฐานนะซากศพสิทธสิทธิชนิดในในกายในส่วนของกายให้พิจารากายไปไปเยี่ยมป่าชา้าสมัยก่อนศพเขาจะไม่ไปเผาไม่ไปฝังนะเอาไปทิ้งในป่าชา้าผ้าเผาผ้าหอไหแล้วก็ปล่อยให้แร้งกาอากาศมากิน มีน้องมีใช่เดือนมีอะไรมาแทะมาให้ไปดูว่า น, นี่แหละคร่างกายที่เรารักเราหลงเราลักกันพอเวลาไม่มีเลมหายใจแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วมาใช้กับพิจารณาอาการ32ร่างกายเราเห็นเพียงแต่ห้าอาการคือภายนอกผมคนเล็บฟันหนังแต่ใต้หนังเรามองไม่เห็ น, นคือเนื้อเอ็กระดูกปอดไตตับ หลังผือตายปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย่ก็มองไม่เห็นเราต้องใช้จินตนาการแล้ไม่ใช่นั้นเราก็ไปศึกษาดูตามโรงพยาบาลขณะ น, น, นักศึกษาแาพทย์เขาศึกษาการวิาพากษ์แล้วก็ไปขอดูด้วยก็จะเห็นการชำระสมให้ห็ น, น ว, วิวัฒนากาต่างๆการเป็นถามครับถ้าเราจะร่วมอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทา เราควรกล่าวว่าสาธุหรือคําว่าอนุโมทนาสาธุและคำสองอย่างนี้จะต่างกันอย่างไรครับอนุโมทนาเกิดยินดีกับการกระทำของเขาสาธุแปลว่าดีแล้วส่วนใหญ่ของเีก็สาธุบ้างอนุโมทนาบ้างมางทีก็ทั้งสองอย่างปนกันก็ได้ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยขณะที่เข้าร่วมฟังธรรมนี้ อนุโมทนาบุญด้วยก็ได้บุญไหมครับอนุโมทนาบุญกับใครกับคนที่มาฟังนี่นะก็ได้เรายินดีเรามีความสกใจก็ได้บุญกับเพนถามครับขณะที่ถูกสามีดุด่าในเรื่องที่ไม่ถูกใจเขาสติช่วยลูกนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ให้อภัยมองสักแต่ว่าเสียงปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไป ด้วยให้ตัดภพชาติไม่ต้องไปเจอกันอีกในชาติถัดไปใช่ไหมครับ่ก็ช่วยนะครับการในเวนิกรรมต่อกันแต่ภพชาตินี้ยังไม่ได้ตัดภพชาติต้องตัดความอยากอยากจะเสพกลามเสพรวบเสียส ง, งกลิ่นรดเป็นต้นขอเรียนถามหลวงพ่อครับ ลูกส่งเงินให้ทุกเดือนเงินนั้นเรานําไปทําบุญแล้วแผ่เม็ดแผ่บุญให้ลูกลูกจะมีส่วนในบุญนี้หรือไม่ถ้าเราอยากให้ลูกได้บุญกับเราด้วยเราจะทําอย่างไรครับลูกเขาได้บุญแล้วตั้งแต่ที่เขาให้เงินเรามาเนี่ยเขาทําบุญกับเราเราเป็นเหมือนพระแล้วลูกเขาก็เอาเงินมาให้เราเขาได้บุญแล้วเงินที่เขาให้เราเนี่ยทําให้เขาได้บุญส่วนเราจะถ้าเราไปทําบุญเราก็เป็นคนได้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องแบ่งให้เขาเองนะเพราะเขาได้เขาเป็นได้ไปเต็มร้อยแล้วจากเงินที่เขาให้เรามาแต่เราสามารถเอาทินบุญที่เราทำนี้ให้กับคนตายได้แต่คนเป็นนี่เราแบ่งให้ไม่ได้เราอยากจะให้พ่อแม่ได้ฟังธรรมกับเราควรทำอย่างไรบ้างครับก็ชวนเนี่ยชวนชวนชวนไปเที่ยวชวนได้ชวนไปกินข้าวชวนได้ ถ้ามาชวนฟังทําชวนไม่ได้เห็นว่าอยู่ที่เขาเจ้าเขาจะมาหรือไม่มาเท่านั้นเองครับถ้าเขาไม่มาก็อย่าไปอย่าไปเสียใจอย่าไปอะไรเพราะทำให้ใช่เป็นนิสัยของเขาที่เขาจะอยากจะฟังก็ได้พระโสดาบันมีสี่ท่าเป็นปกติถ้าหากว่าต้องทําผิดศีลห้าบางข้อหรือด่างพร้อย จะได้รับผลกรรมทันทีหรือไม่ครับหรือว่าท่านจะขาดองค์ประกอบทุศีในแง่เจตนาครับท่านไม่ทำเลยไ ม, ไม่ทำบาปเลยถามต่อนองครับพระอาจารย์ครับถ้าหากได้พระโสดาบันในชาตินี้แล้วและตาย จะได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วเราจะสามารถระลึกถึงแผนที่ของกระแสพันิพาลเพื่อภาวนาต่อให้เข้าถึงพันิพาลได้อยู่ไหมครับหรือต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยแนะนําอยู่ครับไม่ต้องนะเรามีแผนที่ในใจของเรานะสามารถปฏิบัติต่อไนดะ้ไม่ว่าจะเป็ น, เ, ปนเทเวดาไม่เป็นมนุษย์ก็สามารถปฏิบัติได้ทํางานบ้านพร้อมกับเปิดบทสวดมนต์ฟังไปด้วยอย่างนี้ได้บุญไหมครับ ได้คืนเดียวเพราะว่าทำสองอย่างถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องหยุดทํางานแนั่งเฉยๆนั่งทำเฉยๆก็จะได้เต็มร้อยกราบขอโอกาสครับผมยังไม่สามารถมองเห็นกฎไปรลักกับทุกสถานการณ์ได้ครับการเห็นไตรลักคือขั้นปัญญานั้นคือจิตของผมยังไม่สงบจนไม่เกิดสมาธิที่ทําให้เกิดอุเบกขาซึ่งเป็นฐานสําคัญใช่หรือไม่ครับ คามจิงการเห็นตายรักนี่มันไม่ได้อยู่ที่สมาธิอยู่ที่การรู้จักคิดแยกแยะ analyze พิจารณาว่าตายนักเป็นยังไงไม่เที่ยงเป็นยังไงเรานะต้องวิเคราะห์ดูด้วยด้วยความคิดของเราเองเช่นคำว่าไม่เที่ยงก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งใชเช่นดวงอาทิตย์นี่การเคลื่อนจรดของดวงอาทิตย์นี่มันนึ่งไหมมันไม่นิ่งใชมันก็เปลี่ยนแปลงปตลอดเว ถึงตนี้ปั๊บเราบรตรงนี้มาตรงนี้ขึนเรื่อยๆอันนแสดงว่าเราเห็นอะไรจากเห็นความไม่เที่ยงเราต้องรู้จักวิเคราะห์เรื่องของปัญญาคนที่วิเคราะห์เก่งถ้าถือว่าเป็นคนมีปัญญาเฉียมนะครมีดวงตาเห็นธรรได้เร็วกว่าคนที่ไม่ไม่วิเคราะห์วิเคราะห์ไม่เป็นอย่างนั้นที่พระเจ้าทรงแสดงทางครั้งแรกให้กับพระปัญจวอคคีะ์ห้าลูกเนี่ยมีรูปเดียวที่เข้าใจที่บรรลุเป็นพระสววุวรรณได้ อสียงด้วยังไม่เข้าใจปัญญายังตามยังคิดไม่ไม่ถึงยังมองไม่เห็นตามที่พระเจ้าทรงแสดงนะแต่ต่อมาไม่กี่วันท่านก็ถึงกันถึงกันใช้เวลาวิเคราะห์งานหน่อยตอนนี้นั่างเห็นเห็นตายรั่งายนร่างกายเห็นทุกข์ในสุบุทยัยอันนี้ต้องใช้เวลาวิเคราะห์ดูบางคนฉลาดก็วิเคราะห์ได้เร็วเหมือนกับขันธิษฐานเนีาา่ยบางคนเห็นตัวเลขกบ ได้คำตอบเลยใช่ไหมเห็นสมการได้คำตอบเลยบางคนนั่งมาคิดบวกรบคูณอาจจะได้คำตอบชา้าเร็วต่างกันอันนี้อยู่ที่การถึกผลอารมวิธีคิดของของแต่ละคนมาใน อ, อดีตด้วยร่วมบุญอนุโมทนาบุญในการล้างป่าช้าถือว่าเป็นบุญใหญ่ไหมครับ <S 1> <S 1> ก็ บุญนก็ได้หลายส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือการเสียสละการรับใช้พูดทํางานให้กับผู้อื่นทำงานให้กับสังคมแล้วบุญที่อาจจะได้ต่อมาก็คือได้เห็นอนิจจังเห็นอนุสุภะของร่างกายเพราะร่างกายของเราตอนนี้เป็นอย่างนี้ในที้ส่วนมันก็ต้องไปอยู่ในป่าชาติเป็นแบบนี้มันก็จะได้ปัญญาเห็นอนิจจังเห็นอนุสุภะเห็นความไม่สวยไม่งงามของร่างกาย แต่แล้วแต่คนไปล้างนะบางคนไม่ได้คิดมันก็ไม่เห็นนะครับคิดด้วย <c oughs> ต้องพิจารณาด้วยถึงงห็นท่านที่จะได้โสดาบันต้องมีอุเบกขาหรือฌานสี่ก่อนใช่ไหมครับก่อนจะพิจารณากายเวทนาจิตครับถูกต้องต้องมีต้องมีฌานสี่ก่อนงั้นยังไม่มีกําลังละความอยากได้เวลากายความอยากขึ้นมา ตอนนั่งสมาธิจิตกําลังเท่าสุดถึงความสงบเย็นแต่พอได้ยินเสียงก็ตกใจออกจากสมาธิทําให้ใจสั่นครับต้องแก้ไขอย่างไรครับฝึกสติให้มากขึ้นสติยังอ่อนอยู่พอมีอะไรมากระทบหน่อยก็สติก็หายไปเลยก็เจองไว้เลยขาสติสติยังไม่เข้มแข็งพอมันฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเข้มแข็งมากขึ้นไปตามลําดับ สนใจอยากไปปรีกวิเวกฝึกภาวนาแต่กลัวตุกแกครับรบกวนขอคำแนะนำที่เริ่มต้นแก้ความกลัวจุดนี้ครับวเวลากลัตุกจอตุกแกก็หลับตาแล้วท่องพุทโธพุทโธไปหัวใจสงบแล้วก็จะหายกลัวยืนดูหมารุมกัดงูตายโดยที่ไม่ได้ช่วยมีผลกรรมไหมครับงูชอบเลยเข้าบ้านครับไม่มี เราไม่ได้ทำอะไรเราเฉยๆดูเฉยๆพระโสดาบันปล่อยวางร่างกายได้ก็อดข้าวทนหิวได้และใจจะเลื่อนมารักษาสีล8แปดได้กระผมเข้าใจแบบนี้เป็นทางผูกและไมครับไม่ถูกรอเพราะกานจะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องถือสิล8แปดไปฝึกสมาธิก่อนอยู่แล้ว ว่าการจะฝึกสมาธินี่ต้องถือสินแปดสินห้ามันจะทําให้ยากต่อการได้สมาธิอาจจะได้ก็ได้นะแต่ไม่แน่ใจถ้าถือสินแปดนี้แน่ใจว่าจะได้ง่ายกว่าไปฟังพระอาจารย์ที่บอกว่าอาจจะชาติที่แล้วสื่อสินแปดมาก่อนแล้วชาตินี<ม>้ว่าสิทธิ์ก็เลยบรรลุได้สมาธิใช่ไหมครับชาติชาติก่อนอาจจะได้โอเบคามาแนละ้วได้สมาธิมาแล้ว ไม่จเป็นจะต้องไปรักษาศีแปดสามารถเข้าสมาธิได้โดยใช้ศีลห้าก็ได้การทำบุญช่วยชำระหนี้สงหรือช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถผลบุญส่งผลด้านไหนครับก็เหมือนกันอะเหมือนกับใส่บานถวายเจ้อวาอะไรต่างๆมันอยู่ในกลุกทานคํา่าทานเอาให้อะไรนี้มันมันจะกลายเป็นบุญแลวบุญนี่จะเป็นเหมือนก้าสารพันเน ไม่ใช่ว่าเราให้จีวรแล้วาชาติหน้าเราจะไมีแต่ได้ผ้าครืองมือหบอย่างเดียวไม่ใช่เราจะได้บุญแล้วบุญนี้เราสามารถมาแปลงให้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องการได้ถ้าเราขาดเสื้อผ้าเราก็จะได้เสื้อผ้าถ้าเราขาดอาหารเราก็จะได้อาหารไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราถอยผ้าป่าอย่างเดียวแล้วเราจะไม่ได้กินข้าวไม่ต้องกลัว네บุญมันบุญมันเป็นเหมือนก้าวสารพัดเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นนในสิ่งที่เราต้องการได้ เมือนงินอะเมืองินเราไปใช้ซื้อของต่างๆได้ผู้ที่บรรลุโสดาบันแล้วนั้นจะไม่คิดและสงสัยในเรื่องต่างๆอีกถูกหรือไม่ครับยังสงสัยอยู่ยังสงสัยเรื่องเรื่องอะไรที่ยังติดค้างอยู่สงสัยว่าเราจะทําให้เกเรตการมราคาหายไปได้ยังไงก็อาจะต้องไปศึกษาคิดพิจารณาอาเองว่า ทำยังไงถึงจะทำให้ันเราล ะ, ล ะ, ละกามลาค้าได้นั่งสมาธิจำเป็นจะต้องนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายทับมือขวาไหมครับบางทีปวดมากครับก็แล้วแต่เรานหละนี่เป็นเป็นท่าหลักเหมือนกันเวลาเราเล่นกีฬาเขาก็มีท่าต่างๆที่เราตีกอล์ฟนั่นจะตีเราก็ต้องมีท่าตีที่ถูกต้องเพราะมันจะได้ผลดี อันนี้ก็เหมายกันถ้านั่งขับสมาธินี่ก็เป็นท่าที่จะทําให้นั่งมาได้ผลดีกว่าท่าอืนแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้บังคับจะนั่งแบบไหนก็ได้ปลูกผักทําสวนต้องเจอปัญห า, มาแมลงต่างๆอย่างนี้ควรทําอย่างไรครับก็อย่าทําเลยไปซื้อไปซื้อกินในตลาดก็หมดแล้ว รับซองกระถิญพระป่ามาแล้วไม่แจกไม่หมดเลยใส่ซองเองได้บุญไหมครับแต่ตั้งใจใส่ทุกซองครับอีกน่า <c oughs> เราได้ทําทานเราได้บรจิจาคเัินขอเรียนถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราถึงพระโสดาบันหรือ ย, อยังครับก็เราไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวเจ็บไายได้ ตั้งใจจะบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลชายแดนแต่น้องไม่อยากให้บริจาคครับแต่ตัวเองคิดว่าช่วยคนเหมือนกันควรอธิบายให้น้องฟังไหมครับน้องจะบาปไหมครับนั่นนึนนนทนทงท่านสุนทรขเตมิตรคนอธิบายได้ก็อธิบายไปเขาเชื่อแลก็แล้วไปเขาไม่เชื่อก็แล้วไปไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสาคัญอยู่ที่เราทํำและไม่ทํามากกว่าถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้นะ ฝากเงินคนอื่นไปทำบุญเราได้บุญด้วยใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ถ้าโสดาบันกินดิบไหมครับลาบดิบปลาดิบและงดเว้นอาหารสิบอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งงดไหมครับถ้าเป็นภราก็ต้อ ง, ต, องต้องทาตามพรมวินัยแต่ถ้าไม่เป็นภระก็กินอะไรก็กินได้ ปลุกเสกเกจบานต่อชะตาจะพ้นทุกไหมครับไม่พ้นหรอกมันเป็นความเชื่อมันไม่มันไม่ได้ทําให้เกิดอะไรขึ้นมามันเหมือนเ่นละครนล่นลิเกการปล่อยปลาหน้าเขียงได้บุญใหญ่ใช่ไหมครับไม่หรอกก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยมากปล่อยน้อย <c oughs> ปล่อยน้อยก็ได้บุญน้อยปล่อยมากก็ได้บุญใหญ่ ได้เหมือนมากไม่เลยอยู่ที่น่าเขียงหรือ ไ, ไม่น่าเขียงอยู่ที่ปริมาณที่เราได้ช่วยชีวิตเขาช่วยมากไม่ช่วยน้อยช่วยมากก็เป็นบุญใหญ่ช่วยน้อยก็เป็นบุญเล็กถ้าเราเริ่มถือศีลห้าตั้งใจจะไม่ผิดศีลแต่ว่าเพื่อนทางโลกที่พึ่งพาอาศัยกันที่ติดต่อกันยังคงชวนพูดคุยผิดศีล <c oughs> ชวนพูดคุยผิดศีลหรือศีลข้อสี่ดังพร้อยหรือมีมิจฉาทิฏฐิบางเรื่องเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเออเออกไปก่อนได้ไหมครับหรือว่าควรเลิกคบครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมทํายังไงได้ก็ทําไปพระเจ้าสอนว่าอย่าอย่าคบคนที่ไม่ดีให้เลือกคบคนที่ดีแต่ถ้าเรายังมีความจำเป็นจะต้องคบค้าสมาคมล้วก็คบค้าไปเพียงแต่ว่าเราอยากให้เขามามีอิทธิพลทําให้เราต้องไปทําตามเขาก็แล้วกัน แล้วก็ทาบาปแล้วเขาจะมาชวนให้เราไปทำบาแเราก็ต้องปติเสธไปท่านนี้พระโสดาบันเมื่อเกิดชาติใหม่เป็นเด็กเขาจะรู้ตัวเองไหมครับว่าเป็นโสดาบันครับเขาไม่รู้ว่าเขาเโสดาบันหรอกแต่เขาเรารู้ว่าเขาไม่กลัวายเขาไม่กลัวเจ็คุณแม่ชอบกินข้าวหมาก ซึ่งทําจากลูกแป้งที่ใช้ทําเหล้าถือว่าถือกินว่าผิดศีลข้อห้าหรือไม่ครับถ้ายากจะถือแค่เงี้ผิดนะเพราะมันของมันเมาแต่ถ้าไม่แค่ก็คิดว่ามันมันมันมันมีความมึนเมานิดเดียวไม่ทําให้ขาดสติไม่เหมือนแบกินโซลาแบบสดๆอย่างเดียวนี่ก็ถ้าอาจะถือว่าผิดก็ผิดนิดเดียวแล้วก็ผิดมากผิดน้อยมันอยู่ที่กินมากกินน้อยเมามากเมาน้อย จะทำยังไงจิตถึงจะเห็นไตรลักษณ์ตามเป็นจริงได้ครับก็คิดบ่อยๆมองเห็นอะไรก็คิดถึงตาอา น, นิจจังบ่อยๆเห็นอะไรมันมันมาพบแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเนี่ยได้ยินเสียงพุบแล้วมันก็หายไปแล้วนี่น ก, นก็อานิจจังการนั่งสมาธิถึงแม้ยังไม่สงบจะได้บุญไหมครับยังไม่ได้บุญได้ความเพียรพปเยาม อาจจะเรียกว่เป็นบุญที่เกิดจากการทําความเพียรพยายามกม็ได้ในบุญที่เกิดจากความสงบยังไม่เกิดอยากอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทําด้วย ว, วิธีไหนได้บ้างครับเราต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เอาของไปประเคณให้เขาเลย <laughs> เขาชอบทุเรียนก็ซื้อทุเรียนไปให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะน่าเกลียดเราเอง แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าคิดว่าเขาเป็นดวงวิญญาณก็ทําบุญรักษอุทิศไปให้เขาก็ได้ขอโอกาสครับอวิชชาคืออะไรครับใช่การไม่รู้อริยสัจสีใช่ไหมครับใช่ไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ตายรัต น, นใ่เรื่องอวิชชาใส่บาศกับพระที่ไม่มีศีลเราเป็นบาปหรือได้บุญครับได้บุญ ความบาปของพระไ ม, ไม่ไม่ส่ง ม, ม, มาให้เราคนเคนเราประเด็นกันถือสีลห้าอย่างเคร่งครัดแต่ทุกๆวันมีจิตบางส่วนรู้ทันกิเลส ท, ที่เข้ามาในชีวิตประจำวันกิเลสดับหากปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆมีโอกาสเห็นกายนี้ไม่ใช่เราไหมครับไม่เราเราต้องพิจารณาอยาู่พิจารณาร่างกายเราอยู่ว่าร่างกายเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อา่พตัดสินใจจะมุ่งสู่การปฏิบัติจริงจังในเพศบรรพชิตพี่สาวแย้งว่าเราทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลเขาถูกต้องหรือครับก็ไม่ได้ทิ้งแล้วก็ไปทําหน้าที่ของเราเราไม่สบายใจเราก็ไปรักษาใจของเราเมือเวลาเราล่างกายไม่สบายเราก็ไปรักษาร่างกายที่โรงพยาบาล น, านั่นเองไม่ได้ทัทิ้งกัน พระก็ ย, งกยางบรรดูแลพ่อแม่ได้อยู่พระพุทธเจ้าการไมยาติให้พระแม่งอาหารจังป็นตบาทมาเล่นพ่อเลีงแม่ได้ถ้าจําเป็นปัดใยแมงมุมแต่ไม่ได้ฆ่ามแมงมุมบาปไหมครับถ้าไม่ตายก็ไม่บาปแต่ก้าวข้ามขั้นนิมิตไปได้อย่างไรครับก็ อ, อย่าไปสนใจให้ให้มีลายกรรมฐานยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เวลานั่งสมาธิ ถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธไปมีนี้มีนี้ผูกใจมาก็ไม่ต้องไปตามแล้วไม่ต้องไปสนใจผูกใจไว้อยู่กับพูโทโธไปแล้วนีม้มันก็จะหายไปเองการปฏิบัติของลูกคือการทําทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ทราบว่าตัวเองอยู่ในระดับใดแต่พบว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์น้อยสุขกับความสงบมากขึ้นไม่อยากมีไม่อยา ก, ยากเป็น แบบเห็นคนแก่คนตายก็คิดว่าเราสักวันต้องเร่งปฏิบัติให้เกิดอุเบกขาเมื่อถึงเวลานั้นแบบนี้ถือว่าดวงตาเห็นธรรมไหมครับดูเห็นบ้างบางส่วนแตยังไม่เต็มที่แตเห็นเต็มที่เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทําอย่างไรให้เจริญสติอยู่กับปัจจุบันได้เร็วครับท่องพุโทโธไปเรื่อยๆ พอเล็มตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจตลอดเวลามีวิธีลดละเลิกงดเว้นจากการดื่มสุราเมไรัยไหมครับนี่ไปอยู่วัดเงี้ยหรือไปอยู่ที่ไม่มีสุราดื่ไมไปอยู่ในป่าทำนองอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่เขามีสุราขายกันไม่มีมันก็จะลดละไปโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีดื่ การทําบุญช่วยชําระหนี้สงผลบุญจะส่งให้เราไม่มีหนี้ไหมครับก็มีส่วนนะสวดมนแล้วง่วงมากครับจะต้องทําอย่างไรดีครับก็สวดเวลาที่มันไม่ง่วงเลยสวดเวลาหิวก่อนกินข้าวสวดตอนนั้นอย่าไปนั่งสวดตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วถ้ากินข้าวเสร็จแล้วมันจะง่วง ถ้าอยากจะไม่ง่องก็ลองสวดต น, ก, นก่อนกินข้าวหนึง่งกับเรียนขอแนวทางครับกําจัดมแมลงสาบมาอาศัยอยู่ในบ้านทำอย่างไรที่จะกาจัดมแมลงสาบออกจากบ้านไปโดยไม่ผิดสี่งข้อหนึ่งจากการวางที่ดักจับมแมลงสาบครับถ้ามันไม่ฆ่ามันดักว่ามันล่าไปปล่อยข้างนอกก็กทำได้แต่ถ้าดักว่ามันตายด้วยนะก็ไม่ไม่ไม่ถูกไม่ควร วิธีกราบศพในช่วงเชงเม้งฝังมาสี่สิบกว่าปีแล้วถ้าเราไม่สะดวกไปเพราะเราป่วยมากอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเราะไม่ได้มุ่งเน้ไม่ได้ไม่ได้แสดงความคารวะต่อบุคคลที่ที่มีพระคุณกับเราแล้วก็ไม่ไม่วนอาจจะไม่มีพระคุณกับเราโดยตรงแต่ก็มีพระคุณของบุคคลที่เป็นพระคุณของเราอีกทีก็ได้ไม่เป็นการแสดงความคารวะก็ได้มุ่งจากการไป ไม่มีสัมมาคาราวะคนรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ตัวเองรู้ทันสิ่งที่มากระทบทางใจเข้าใจความเป็นจริงในโลกนี้คือสภาวะจิตของพระโสดาบันหรือพระอรหันครับ อ, อถามแค่นี้ไม่ไปตอบยังไงดีอย่าไปสนใจว่าขั้นไหนเลยขอให้เขาขอให้เอาปล่อยวางได้ก็แล้วกันไม่ทุกข์ก็มันก็แล้วกัน อยู่กับเพื่อนฝูงคุยเล่นกันกับเพื่อนผิดศีลข้อสี่ไหมครับเรื่องพูดเพ้อเจ้อแต่เป็นเพื่อนเป็นคนดีนะครับไม่ผิดหรอกศีลข้อสีนี้ไม่ให้พูดปดเท่านั้นเองถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดในชีวิตประจำวันอันนี้เหมือนกับถามซ้ำไหมครับบุญที่เกิดจาก การสุขใจเห็นคนอื่นทําความดีไม่สามารถติดตัวไปได้เมื่อเราตายไปเหมือนบุญที่เกิดจากการให้ทานหนูเข้าใจถูกไหมครับมันก็มันก็ติดไปได้เหมือนกันทุกครั้งที่เราคิดถึงมันมันก็ทําให้เรามีความสุขได้แต่มันมีคนละชนิดให้ให้นิสสังต่างกันได้บุญเกิดจากทานศีลและภาวนา ถูกต้องไหมครับก็มีอย่างอื่นด้วยแต่ทานศีลภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาจะมีสิทชนิดด้วยกันบุญที่เกิดขึ้นจากการทํานอกจากทางศีลภาวนาแล้วอุทิศบุญอนุโมทนาบุญอ่อนน้ําถ่อมตนมีสมาคะละวะบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องอางนี้ก็มีบุญสิบประการด้วยกันแล้วบุญเอาไป ค้นหาดูในตำราจะมีบอกไว้บุญสิบชนิดถ้าช่วงที่อยากมีแฟนขึ้นมาเพราะเจอคนถูกใจถือศีลปฏิบัติเช่นกันแต่ใจก็อยากจะบอกว่าพอแล้วจะท่องพุโทโธแล้วเติมคาว่าพอแล้วพอแล้วบอกใจตัวเองเป็นกนุอุบายปฏิบัติได้ไหมครับไม่ได้หรอถ้าอยากจะไม่อยากจะมีแฟนก็ลองพิจารณาการสามสิบสองหรือดูศพ ทีเป็นไปนเปนจนริาอาชาสูงปัจจุบันนี้มีฆราวาสสอนธรรมะเยอะมากจะเชื่อถือได้ไหมครับว่าสอนถูกต้องครับไม่รู้เหมือนกันคนระถ้าเราตั้งเป้าหมายปลายทางชีวิตอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องวางแผนชีวิตอย่างไรครับเราต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ไปเลย ปฏิบัติทางที่จะไปสู่พันิภัณฑ์คือการทำทานรักษาศีลภาวนาทำบุญทอดผ้าบังสกุลช่วงสงกรานต์อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วพวกเขาได้บุญไหมครับก็แล้วแต่ว่าเขามาลอรับหรือเปล่า เวลาที่ไปใส่บาตรพอทาเสร็จก็ถ่ายรูปส่งให้ญาติญาติเพื่อนๆอเอาบุญมาฝากแบบนี้เขาได้บุญหรือเปล่าครับถ้าเขาเช่นชมมีเขาก็ได้บุญปฏิบัติโดยการใช้รูปประคได้ไหมครับถ้าได้ต้องทำอย่างไรครับและสามารถเข้าสู่วิปัสนาได้อย่างไรไหมครับเราทางสายปฏิบัติราไม่ใช้รูปประคำเพราะเป็นขอภายนอกม เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งแต่เราไม่เ ร, ไมเราไม่นิยมใช้ของภายนอกมาเป็นการเจริญสติเราใช้ของที่มีอยู่กับเราอยู่กับกล้ไม่อยู่กับใจเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธนี้หรือถ้ากับกายก็ดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเป็นการเจริญสติจะไม่นิยมใช้รูปธรรม นั่งสมาธิแล้วรู้สึกลอยขึ้นจากพื้นให้เรากำหนดพุดโทโธไว้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปสนใจกับอาการที่ปรากฏขึ้นมาถ้าเราทำการคลมมอดสงบให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆขอบัญญญาพระอาจารย์ครับบุญนอกจากความสบายใจที่ได้ทำสุขใจที่สละเพื่อประโยชน์บุญมีอ น, นิสงส์อื่นอย่างไรบ้างครับบุญอย่างอื่นนะ รักษาสีเงาได้มีความสุขนั่งสมาธิก็มีความสุขพิารรยายนานจารณาหปัญญาเห็นอนิจจังตุกขาหน้าตาก็มีความสุขฟังเทศฟังธรรมก็มีความสุขก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่จะทให้เกิดความสุขขึ้นมาจากการทําบุญ ทุกวันนี้ปฏิบัติไม่รู้สึกทุกข์และพร้อมตายเสมอรู้สึกไม่ต้องการการอะไรแล้วพอจะเข้าขายโสดาบันไหมครับก็ไปพิสูจน์เลยไปหาสถานที่ที่น่ากลัวดูที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราดูซิว่าเราจะกลัวหรือไม่กลัวถึงยั ร, รู้จริงตอนนี้ยังเป็นเป็นเหมือนการทําการบ้านอยู่แต่เราทําในที่ปลอดภัยถ้าเราจะทดสอบว่าเวลาเราไปอยู่ในที่อันตราย ที่อาจจะเสียงเป็นเสียงตายได้นี่เราจะรู้สึกอย่างไรมีเพื่อนกวดน้ำให้คนเป็นไม่ควรทำจะตื่นเขาอย่างไรดีครับออการกดน้ำนี่เป็นการที่บุญให้กับผู้ที่ร้องรับไปแล้วไม่ได้ทำให้กดเป็นได้อย่างใด อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมครับเก็ความทุกข์น้อยลงความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงความทุกข์ใจน้อยลงความสุขใจเพิ่มมากขึ้นถ้านอนไม่หลับท่องพุทโธพุทโธได้ไหมครับอาจารย์ได้สวดมนต์ทุกครั้งจะอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ลูกๆมีสติปลอดภัยบุญของแม่จะคุ้มครองลูกได้ไหมครับ ไม่น่าเนอต้องสอนเขาสอนแล้วเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นถ้าเขาเชื่อฟังเขาทำตามเขาเป็นได้รับประโยชน์แต่อยู่เฉยแล้วนั่งนั่งสมาธินว่าอธิษฐานขอนั่นขอนี่มันขอไม่ได้ผู้รู้ที่ไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งผู้รู้นี้มีความเที่ยงแท้แน่นอนหรือไม่ครับก็เป็นท่านนู้นเนี่ยจิตนี้เป็นท่านนู้นเป็นของที่ไม่ ไม่จ่ไมเจ็บไม่ตายมีหนูเข้ามาออกลูกในบ้านครับก็ดักเอาไปปล่อยได้ทีละตัวจะเป็นการพรากแม่ลูกไหมครับอาจารย์รก็พรากก็พรากนทำไมได้ท่านเลยถ้าอยากจะเอาไปปล่อยก็เอามปปล่อยถ้าว่าอยากจะพรากก็อย่าก็อย่าอาไปปล่อยให้ก็อยู่ด้วยกันไป จักคติธรรมคาสอนที่ว่าฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญบุญในที่นี้หมายถึงบุญให้ผลแบบใดครับความสงบความสุขใจเวลาฆ่าความโกรธนั้นใจที่ร้อนรนด้ความโกรธก็จะสงบตัวลงก็แทนที่จะโทษก็กลับกลายเป็นความสุขขึ้นมา แ, แฟนกินยาโรคจิตอยู่ครับ ชอบด่าเรื่องเราไปทำบุญและสวดมนต์ที่บ้านเราก็อยากทำบุญเพราะคิดว่ามีกรรมมากครับอาจารย์เราก็ทำของเราไปเขาจะด่าปล่อยเขาด่าไปก็เท่านั้นเองตัวใครตัวมัน ไปซื้อของเข้าบ้านประจำสัปดาห์พอจะเลือกซื้อระลึกถึงที่พระอาจารย์สอนทำให้มีสติในการซื้อซื้อตามจำเป็นครับไม่ซื้อตามความอยากฟังธรรมบ่อยได้ผลเหมือนมีเบรกอัตโนมัติครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกร า, าบาพระอาจารย์ครับน้องหมาเสียชีวิตร้องไห้เสียใจมากเลยครับพระอาจารย์เพราะเรามองไม่เห็นนะนี่นจังความไม่ทิ้ง ถ้เห็นเราก็จะไม่เล่าให้นราจะเฉยๆการฟังธรรมจากพระอาจารย์ตอนนี้ได้บุญด้วยไหมครับได้บริจาคช่วยสถานพูดอิรานเป็นการทําบุญนอกพระพุทธศาสนาหรือเปล่าครับศา ส, สนาไม่ได้สอนว่าต้องทําบุญกับคนในศาสนาพุทธนั้นถึงจะอยูเป็นศาสนาพุทธไดสอนให้ทําบุญกับคนทุกชนิดสเพสัตตา ทั้งทั้งคนทั้งสัตว์ทำได้หมดไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาไหนก็ตามเป็นชนชั้นใดประาติใดเผ่าใดทำได้หมดขออนุญาตถามว่าวิธีฝึกสติไม่ให้ตกใจเวลาทำสมาธิทำอย่างไรครับก็มีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆสติไปเรื่อยๆทำสมาธิไปเรื่อยๆทำไปจิตก็ยังมีความเข้มแข็ง คำหนึ่งใช้ได้มากขึ้นการทําหมันสัตว์เลี้ยงเพื่อให้มันไม่ออกเที่ยวและมีลูกมันเป็นการทําบาปทางอ้อมไหมครับไม่บาปนะถ้าเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความเจริญทางปัญญาทั้งเพื่อลดละเลิกกิเลสทั้งโลกและสร้างความเจริญในทางธรรมเรามาถูกทางไหมครับถูกทางนะ สวดมนต์ทุกครั้งจะอธิษฐานจิตแผ่เมตตาต่ออันนี้ไม่อันอนี้ถามแล้วครับสวดมนต์บทปฏิจจส ม, มุ ป, ปบาทให้คนใกล้เสียชีวิตเมื่อบุคคลนั้นเสียชีวิตไปแล้วจะบรรลุโสดาบันได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับคนสวดจะไม่ได้แล้วคนคนตายจะได้เลยทุกๆุก นำอาหารไปถวายพระซึ่งชลาและช่วยดูแลของใช้ที่จําเป็นแก่ท่านอันนี้อา น, นิสง์แห่งบุญเหมือนกับการใส่บาตรตอนเช้าไหมครับเหมือนกันได้บริจาคให้โรงพยาบาลอุ้งผางทั้งสามกองทุนแต่ได้เห็นคนคอมเมนต์ว่ามันหน้าที่ใครที่จะช่วยโรงพยาบาลแบบนี้เป็นการขวางการทำบุญคนอื่นเป็น บาปไหมครับก็ไม่บาปเพียงแต่เขาก็จะไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่มีความสุขเขาจะมีความทุกข์เวลานั่งสมาธิชอบคันตามตัวครับบางครั้งก็ทนได้เพราะก็ทนไม่ได้เพราะอะไรครับนี้ขึ้นอยู่กับสติถ้ามีสติมากก็จะทนได้มีสติน้อยก็จะทนไม่ได้ มีคนเกลียดเราครับถ้าแผ่เมตตาให้เขาเขาจะหายเกลียดเราไหมครับก็แล้วแต่ลองทดลองดูบางคนก็อาจะหายบางคนก็อาจจะไม่หายก็ได้ต้อง้องของไปให้เขาใช่ไหมครับอาจารย์ให้ก็บ่อยๆแล้วต้องให้ของที่ถูกใจเขาด้วยถ้าไปให้ของที่ไม่ถูกใจเขาก็าอาจจะไม่ไม่ไม่ให้อภัยแต่ถ้าเอาของที่ถูกใจไปบ่อยๆเขาก็าอาจจะให้อภัยเราก็ได้ อาจจะการเป็นไม่จริก็ได้แต่อย่าหยุด น, นะพอหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวห้าก็กลับมาเป็นต้องให้อยู่เรื่อยๆจนมันตายครับพระอาจารย์เคยสนทนาทำกับหลวงปู่ลีมากไหมครับไม่ได้สนทนาเป็นจริงเป็นจังอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ฟังท่านพูดอะไรทำนองนี้ม ทำบุญหวังผลอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกทำบุญก็ต้อได้ผลนะฝึกทํามาฝึกทําอานาปานสติแล้วรู้สึกอึดอัดครับมีวิธีอื่นไหมครับสติยังน้อยไปฝึกสติก่อนพยายามฝึกสติให้ได้ทั้งวันก่อนแล้วก็คงสักคงก็คงใจได้แล้วนั่งสมาธิมันจะไม่อืึดอัน ถ้ายังควบคุมใจไม่ได้ไมันนั่งใจมันจะดิ้นมันทำให้รู้สึกแบบอาดขึ้นมาททำใจเป็นทุกข์กับลูกกลัวเขาจะสุขภาพ ป, ปไม่ดีกับการเล่นเกมกับดูมือถือมากแต่พยายามสอนเขาแต่เขาไม่ฟังไม่เชื่อจะต้องวางใจอย่างไรครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาไป เวลานั่งฟังธรรมแมวชอบมานั่งด้วยอย่างนี้แมวได้บุญไหมครับไม่ไดเ้เขาไม่ได้ไม่เข้าใจภาษาของคนอาจจะได้สมาธิก็ได้ถ้าเขานั่งเฉยๆนั่งสมาธิแต่จิตไม่เคยสงบต้องทำอย่างไรครับต้องฝึกสติให้มากกว่า น, นี้ให้มีสติมากกว่า น, นี้ ถ้าถือว่าเป็นชีวิตของเขาและเป็นกรรมของเขาจะผิดไหมครับไม่ผิดเลยก็ปล่อยเขาไปตามตามกรรมของเขาไปมาสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตาเจโตวิมุตได้ไหมครับไม่รู้ไปยังไงแผ่เมตตาแบบเจโตวิมุตไม่รู้อางครับ อันนี้เป็นเหมือนทางโลกครับอาจารย์ทําอย่างไรจะเรียนไฟแนนซ์แล้วเข้าใจครับเพราะเรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจครับต้องไปหาติวเตอร์ต้องยมีติวเตอร์ต้องเรียนพิเศษเพราะทีอาจารย์ในห้องไม่มีเวลาที่จะสอนเราได้อย่างละเอียดยก็ต้องไปเรียนก็มีติวเตอร์กันใช่ไหมเวลาที่เราเรียนหนังสืออะไรไม่เข้าใจก็ไปหาติวเตอร์ ลองครั้งโกรธคุณแม่เพราะทําไม่ถูกใจเราบาปไหมครับที่ไม่ได้ตามใจท่านครับก็ไม่ควรนะเพราะว่าเราเป็นลูกเราคนที่จะรับใช้คุณแม่ผู้มีพระคุณอยู่เราการได้รับใช้เนี่เป็นการเถิดเป็นงานได้ตอบแทนเป็นคุณงามยิ่งใหญ่ของพ่อของแม่ดูจิต คือการดูกิเลสของตนดูกายคือดูความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับจะแยกพิจารณาอย่างไรครับอขั้นต้นให้ดูกายก่อนยังไม่ต้องไปดูจิตเพราะกําลังเที่ยดูจิตยังมีไม่มากพอดูกายให้เข้าใจาถึงธรรมชาติของกายว่าเ ป, เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่คนที่จะไปยึดไปติดไม่คนที่จะไปทุกข์กับร่างกายให้ได้ก่อน หากเรารับรู้ว่าจะมีการทำบุญแต่เราไม่ได้บอกคนต่อคนอื่นจะมีผลอย่างไรไหมครับไม่มีก็ไม่มีคนรู้เขาไม่ก็ไม่รู้เทนั้นเองรักษาศีล5้าสามารถปิดประตูอบายภูมิได้ไหมครับได้เวลามีเรื่องไม่สบายใจจะมองเป็นบวกตลอดแล้วจะมองว่าเราเคยทำอะไรมา ก็จะเจอแบบนี้จริงไหมครับมันก็ช่วยทำให้ใจเราไม่ทุกข์ได้ส่วนจะจริงไม่จริงเ้วก็ต้องไม่รู้เหมือนกันถ้าเราไม่มียานอย่างทราบจะอธิษฐานอย่างไรให้ได้เงินที่ถูกยืมไปคืนครับออธิษฐานไม่ได้หรอเพราะว่าของมันขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัย ถ้ามันจะกลับมามันก็กลับมาถ้ามันไม่กลับมามันก็ไม่กลับมาาถ้าจะหาแฟนทีไรนึกถึงคําเทศพระอาจารย์ว่าให้นึกถึงความตายก็หยุดชะงักตั้งสติได้ทุกทีว่าชีวิตสั้นนะักให้เอาเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าผมคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกแล้ว กลับขอถามพระอาจารย์ด้วยตอนเช้าไปเดินออกกำลังกายแต่ทำใจว่าเดินจงกรมได้ไหมครับก็ต้องอยู่ที่มีสตินะไม่มีสติถ้ามีสติก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมได้การเดินจงกรมก็เป็นการเจริญสติเป็นหลักการเดินเป็นลองแต่ถ้าเดินแบบใจลอยเดินแบบไปชอปปินน้งนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการเดินจงกรม เหตุที่เราเจอสิ่งไม่ดีในชีวิตแสดงว่าในอดีตชาติเราเคยกระทำสิ่งที่เราพบเจอใช่ไหมครับก็มีส่วนทุกครั้งที่จะทำผิดศีลจะเหมือนมีหน้าพระพุทธเจ้าท่านขึ้นมาตลอดนี่ถือว่าเป็นอัตตาในการถือศีลไหมครับไม่หรอกมเป็นนิมิต ท, ที่ดีนิมิต ท, ที่จะคอยห้ามเราไม่ให้ไปทําบบ เคยได้ยินว่าจิตประพัดสอนคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกจิตประพัดสอนนี่ไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์คนละชนิดกันจิตประพัดสอนนี่สว่างสวัยแต่ยังมีกิเลสซ่อนอยู่ภายในส่วนจิตบริสุทธิ์นี่ไม่มีกิเลสหลงเห ล, ลหืออยู่ในใจคนละชนิดกันคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับมีญาติชอบมายืมเงินพ่อแม่ เราควรวางใจความหงุดหงิดอารมณ์เสียอย่างไรแผ่เมตตาให้ยากอาโหสิกรรมให้ยากจะมีชีวิตดีขึ้นไหมครับไม่หรอกแล้วแต่ชีวิตดีขึ้นไม่ดีขึ้นอยู่ที่การกระทาของเขาขออกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้ในเฟซมีผู้ชมอยู่ห้าร้อยสิบสองคนครับ ในยูห้า้อยหกสิบในขับสามในทิกต๊อกสี่้อยเจ็ดสิบครั บ, 3, ร, ร, บรวมหนึ่งพันห้า้อยสี่สิบห้าคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่มาเล่าสนทนาธรรมหบังว่าคงจะได้สัมผสัสก่บรถแห่งธรรมที่ชนะรถธรรมปวงการสนทานธรรมสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจานางนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม